สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องห้องพักบนดาดฟ้าเมื่อปี2541ผมนัดไปเตะบอลเดิมพันกับเพื่อนๆที่จังหวัดฉะเชิงเซาช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีเลยตั้งใจว่าจะไปหลายวันหน่อยพวกผมไปกันสิบคนโดยไปกันก่อนวันเตะบอลเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันก่อนด้วย ก็เลยว่าจะไปหาห้องเช่าทุกๆนอนกันแต่นั่งรถไฟไปถึงที่นั่นก็เกือบทุ่มแล้วด้วยความเหนื่อยล้าและเพลียเลยหาห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟป้าคนที่ดูแลแกบอกว่ามีอยู่สองห้องเองพวกผมเลยถามป้าว่าไม่มีห้องเหลืออีกสักห้องแล้วเหรือครับพวกผมจะได้นอนกันสบายๆมากันตั้งสิบคนป้าแกนิ่งไปพักหนึ่งแลวบอกว่า ก็มีนะแต่อยู่ชั้นบนสุดบนดาดฟ้าเลยเอาไม่ละ่ะพวกผมเลยตกลงเพราะไม่อยากแยกไปหาห้องที่อื่นแล้วโดยผมกับเพื่อนอีกสองคนไปนอนห้องบนดาดฟ้านั่นแหละครับขึ้นไปถึงดาดฟ้าเห็นมีสารพระภูมิหนึ่งสาลสารตายายอีกหนึ่งสาลและชุดไทยแขวนไว้กับราวอีกสองชุดพวกผมมองหน้ากันประมาณว่าเฮ้ยไม่ใช่ละมัง้ง ใต่อีกใจก็คิดว่าเรามาดีคงไม่มีอะไรหรอกนาะผมรีบไขกุญแจเข้าห้องให้เพื่อนไปอาบน้ำก่อนระหว่างรอผมก็อ่านหนังสือไปพลางหางตาดัานเห็นอะไรแวบๆผ่านไปผ่านมาอยู่ที่ศาลแล้วจังหวะนั้นก็มีมือมาสกิดหลังผมผมหันไปเห็นเพื่อนกำลังนั่งสันอยู่มันกระซิบบอกผมว่า กูเห็นตากับยายแก่เดินมาก้มมองดูตรงหน้าต่างเพราะกูหันไปดูคุณตาแก่ยื่นหน้าทะลุหน้าต่างเข้ามาเลยแล้วมันก็บอกว่าคืนนี้กูขอไปนอนฝั่งทางเดินนะกลัวพรุ่งนี้จะไปนอนห้องข้างล่างล่ะผมก็เออเออ อ, อไปบอกว่าเราก็ไปไหว้แล้วนี่ไม่มีอะไรมั้งแล้วผมก็ไปอาบน้าเป็นคนสุดท้ายและกลับมานอน โดยที่ผมนอนตรงกลางครับนอนหลับไปจนไม่รู้กี่โมงกี่ยามมารู้สึกตัวอีกทีเพราะได้ยินเสียงลากอะไรบางอย่างทีแรกนึกว่าเสียงมันอยู่นอกห้องแต่ฟังดีๆเสียงมันใกล้มากคืออยู่ในห้องนี่แหละก่อนจะมาหยุดอยู่ที่ปลายเตียงผมที่นอนตะแคงอยู่ก็ลืมตามา เห็นหน้าเพื่อนคนที่เข้าไปอาบน้ำคนแรกกำลังนอนตาค้างมองไปทางปลายเท้าผมเลยพลิกตัวนอนหงายเพื่อที่จะดูว่ามันเห็นอะไรและภาพที่เห็นก็คือผู้หญิงผมปละบ่าใส่ชุดคลุมท้องสีเข้มยืนอยู่บนเก้าอี้กำลังเอาเชือกผูกคอตัวเองกับพัดลมเพดานจังหวะนั้น เธอดินทุรนทุรายแล้วแน่นิ่งไปที่นี้เชือกมันขาดร่างเธอหล่นลงกับพื้นพ้นจากสายตาของพวกผมแล้วสักพักมือเธอก็จับที่ปลายเตียงแล้วดึงตัวขึ้นมาพร้อมตะโกนว่ามาอยู่ห้องนี้กับกูไหมเท่านั้นแหละครับเรียกว่าประตูห้องเกือบพังสามคนวิ่งเบียดกันไปหาเพื่อนที่อยู่ชั้นล่างกันหมด ไปเล่าเหตุการณ์ให้พวกมันฟังยังไม่ทันเล่าจบเสียงลากเก้าอี้นั้นก็มาอีกแล้วครับดังอยู่ที่หน้าห้องทั้งคืนเล่นเอาพวกผมทั้งหมดไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเช้ามาไปถามป้าที่ดูแลหอแกก็ไม่บอกอะไรอยู่แล้วล่ะครับแต่พอออกไปกินข้าวกันลุงที่อยู่สถานีรถไฟแกก็บอกว่าไอ้หนูหอนี้ผีดุจะตายยิงชั้นบนสุดนะ ผู้หญิงท้องทะเลาะ ก, กับผัวผูกคอตายกับพัดลมเพดานยิงเฮียนหนักเลยไม่ค่อยมีใครมาพักหรอกที่เขาบอกว่าเต็มน่ะไม่จริงหรอกเขาโกหกพวกเองแล้วล่ะผมได้ฟังนี่ขึ้นเลยครับจำมาไว้เลยนะป้าห้องมีทั้งเยอะแยะกลับมาให้ห้องพิเศษผมและเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญ ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องห้องว่างชั้นที่5เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของผมกับน้องผู้ชายที่สนิทคนหนึ่งชื่อไวท์แจ็คครับเกิดขึ้นมามปีที่ผ่านมานี่เองผมกับไอ้แจ็คมีเพื่อนที่รู้จักกันหลายคนหนึ่งในนั้นมีไอ้นัดกับไอ้สำรานซึ่งพวกมันมาหาผมแล้วก็บอกว่าวันอาทิตย์นี้ช่วยไปย้ายห้องหน่อย ชวนไอ้แจ็คไปด้วยไปตั้งแต่คืนวันเสาร์เลยนะปาร์ตี้กันที่ห้องก่อนวันอาทิตย์สายๆคอยขนของหลังจากนัดแนะกันเป็นอย่างดีพอถึงวันเสาร์ตอนหลังเลิกงานผมก็ไปแจ็ค ก, ก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมออกไปหาพวกมันที่หอซึ่งผมเคยไปกินดื่มกันที่โต๊ะหน้าตึกเท่านั้นและรู้แค่ว่าห้องของพวกมันอยู่ชั้นห้าชั้นบนสุด ผมกับไอ้แจ็คมาถึงก็ประมาณสี่ทุ่มที่ป้อมยามหน้าตึกลุงยามถามผมว่ามาหาใครหนุ่มผมก็ตอบว่ามาหาไอ้นัดครับลุงแกก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกว่าอืมอยู่ชั้นบนสุดแต่ห้องอยู่ริมสุดฝั่งทางโน้นนะลุงยามบอกพร้อมชี้ไปอีกฝ้าของตัวตึกแต่พวกผมจะเดินขึ้นบันไดฝั่งนี้เลยลุงยามก็บอกว่าให้เดินไปขึ้นบันไดกลาง หรือบันไดฝั่งโนนก็ได้นะผมหันมาถามแกว่ามีอะไรหรือครับลุงแกบอกว่าไม่มีอะไรหรอกถ้าอยากขึ้นตรงนี้ก็ได้ผมก็เลยเดินขึ้นไปพร้อมกับไปแจ็คพอไปถึงชั้นห้าก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสีขาวยืนหันหน้าออกไปทางระเบียงข้างนอกดูจากรูปร่างผิวพรรณแม้จะเป็นด้านหลังแต่ก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นคนสวยทีเดียว ไอ้แจ็คสึงรูปหลอเห็นสาวๆก็แสวด้วยการพูดลอยๆไปว่ามายืนรอใครลหรครับคนสวยดึกเดินป่านี้ไม่กลัวเหรอแล้วเหมือนผู้หญิงคนนั้นเธอได้ยินและหันหน้ามาเพียงเล็กน้อยผมเลยจับเสื้อมันให้เดินไปและพูดบอกเธอว่าขอโทษแทนน้องมาด้วยนะครับโดยที่หางตาผมเห็นเหมือนปากของเธอขยับกําลังจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ผมไม่ได้สนใจอะไรและหันกลับไปเพื่อที่จะเดินต่อแต่แล้วก็ต้องหยุดพร้อมกันทั้งสองคนเพราะมีเสียงผู้หญิงพูดกระซิบใสข่ข้างหูว่าไม่เป็นไรกับพี่ไอ้แจ็คหันหน้ามาถามผมว่าพี่ได้ยินเสียงพูดข้างหูไหมเมื่อกี้มีเสียงกระซิบใส่หูผมว่ามึงเจอกูแน่คืนนี้พวกผมพร้อมใจกนันหันหลังกลับไปดูที่ระเบียง ปรากฏว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่เมื่อกี้หายไปเสียแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เดินเดินไปทําไมมีแต่ป้ายกระดาษติดหน้าห้องเกือบทุกห้องว่าห้องว่างให้เช่าเดินมาจนจะถึงบันไดกลางมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งแต่หน้าต่างกระจกบานเกรดนี้หายไปห้าหอันแล้วเลยทําให้มองเห็นภายในห้องชัดเจนแม้มันจะมืดก็ตาม ผมหันไปมองลึกไปข้างในสุดน่าจะเป็นห้องครัวเห็นเงาดำที่ดำกว่าความมืดในห้องรูปร่างคล้ายกับผู้หญิงผมยาวกำลังดิ้นชักกระตุกเพราะเธอกำลังผูกคอกับราวตากผ้าอยู่ไอ้แจ็คมันก็มองตามผมเข้าไปข้างในห้องนั้นมันยื่นหน้าไปเพ่งดูตรงบานเกล็ดที่ว่างอยู่แล้วปรากฏว่าเงาดำนั้นโผล่มาตรงนั้นพอดี ไอ้แจ็ค ก, ก็ตกใจจนพุ่งทลามาถึงประตูห้องตรงข้ามหน้าตาเลืกหลักถามผมว่าเห็นไหมผมพยักหน้าตอบและแล้วประตูห้องตรงข้ามก็เปิดออกกลายเป็นผู้ชายวัยกลางคนถามว่าเป็นอะไรผมเลยบอกว่าไม่มีอะไรครับว่าแต่ห้องนี้มีอะไรแปลกๆไม่พี่แกยิ้มถามว่าผีเหรอมีมีหรอก อยู่มาตั้งนานแล้วยังไม่เคยเจอผมถามต่อว่าทาไมชันนีห้องว่างเยอะจังแกก็ยิ้มและบอกว่านั่นสินะทําไมห้องว่างเยอะจังแล้วแกก็ปิดประตูเข้าห้องทันทีจนเดินต่อไปถึงห้องไอ้นัทกับไอ้สำราเนเห็นเครื่องดื่มและกลับแกลมเพียบพร้อมรวมทั้งขอ ง, งต่างๆในห้องที่ถูกเก็บลงกล่องเตรียมเคลื่อนย้ายในวันพรุ่งนี้ พวกเราพากันดื่มเหล้าและดูบอลจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ผมตื่นมาอีกทีราวตีห้ามองดูในห้องไม่เห็นในแจ็คคิดว่ามันคงไปเข้าห้องน้ำแต่เดินไปดูก็ไม่เห็นอ้าวไอนน้นี่หนีกลับบ้านไปก่อนเหรอไม่ช่วยขนของตอนเช้าแล้วสายตาผมก็มองไปเห็นเงาดำๆเดินอยู่ตรงหน้าต่างบานเกรด ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอ้แจ็คที่ออกไปสู่บุรีผมเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นพี่ผู้ชายวัยกลางคนคนเดิมแกเห็นผมแล้วก็ยิ้มบอกว่าไอ้น้องเพื่อนเองคนที่มาด้วยกันนะ่ะหน้าตาหล่อๆนะ่ะผมถามว่ามีอะไรครับแกบอกว่าพี่เห็นมันไป น, นอนแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวในห้องตรงข้ามพี่ว่ะผมก็ตกใจสิครับ ถามแกว่าเป็นไปได้ยังไงพี่แกเลยบอกให้ผมออกไปดูกับแกสิผมปิดประตูห้องให้นัดแล้วเดินตามแกไปพอถึงห้องนั้นมองเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะไอยแจ็คถอดเสื้อผ้าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวนอนคลุกฝุ่นมอมแแมมเลยทีเดียวผมเขย่าตัวปลุกมันให้ตื่นขึ้นมามันเห็นผมมันก็ตกใจ นึกว่าผมจะมาปล้ำมันผมโมโหเลยตบหน้ามันไปหนึ่งทีแล้วก็บอกว่ามึงอ่ะมานี่ได้ยังไงมันบอกผมว่ามันออกมาสู่บุรีตอนตีสี่แล้วเจอน้องผู้หญิงขนที่แซลเมื่อตอนขึ้นมาน้องก็ชวนไปที่ห้องนะ่ะใส่ชุดนอนสายเดียวมาเลยก็เลยไปกับน้องเขาในห้องก็มีเตียงอะไรครบนะ แต่ตอนนี้ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้คือสภาพห้องโสมมากระหว่างที่ผมกำลังคุยกันอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคนเอาเล็บ ย, วยาวกรีดกระจกบานเกร็ดในห้องครัวแล้วมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นท่ามกลางความสหลัวในห้องว่ามึงกลัวกูเหรอเท่านั้นหละครับวิ่งออกมาจากห้องกันแทบไม่ทันแล้วก็ต้องมาช็อกรอบสองคือห้องตรงข้ามที่มีผู้ชายคนนั้น ตอนนี้มันเป็นกระดาษแผ่นใหญ่ติดไว้เขียนว่าห้องว่างให้เช่าก้มดูลูกบิดนี่ฝุ่นจับกลังเลยครับวิ่งตะเลเดิด ก, กันไปจนถึงห้องไอ้นัดก็เจอพวกมันตื่นเปิดไฟกันหมดแล้วเรื่องมาเฉลยจากปากไอ้นัดว่าห้องนั้นเคยมีผู้หญิงอยู่จริงแต่เธอเป็นโรคซึมเศรา้าและวันหนึ่งก็คิดสั้นผูกคอตายกับราวตากผ้าในห้องครัว แล้วหลังจากนั้นอีเพียงสมวันผู้ชายห้องตรงข้ามกันก็นอนไหลาตายในห้องอีกส่วนที่เห็นว่าห้องว่างกันหมดนั้นมันก็คือว่างหมดทั้งชั้นเลยเหลือแค่ห้องมันห้องเดียวนี่แหละที่ยังไม่ย้ายเพราะรองเงินค่ามัดจาก่อนซึ่งเพิ่งจะได้เมื่อเย็นวันเสาร์นี่เองมันเลยชวนผมกับไอ้แจ็คมาช่วยขนของแต่ไม่คิดว่าพวกผมจะขึ้นบันไดาทางนั้นมาและเรื่องราวทั้งหมด